วิลินธปัญหาของกรมศิลปากรปุพะปะโยคะกถาพันน า, นาเรื่อง เบื้องต้นที่จะได้ปุตชาวิสัชนาปัญหากันและปุพะประโยคนะนั้นว่าด้วยบุพะกุศลาการแห่งท่านทั้งสองคือพระเจ้ามิลินกับพระนาคาเสนได้สั่งสมอบรมมาแต่ปางก่อนด้วยวาระพระบาลีว่าอาตีเตกัสปัสสะภควะโตสาเสนีวิชิตาวีนามะอโหสิ เมื่อในอดีตพบล่วงลับไปในศาสนาสมเด็จพระกัสสปทศพลยานเจ้านั้นว่ายังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามชื่อว่าวิชิตาวีบรมกษัตริย์ธิราชพระบาทครองราชสมบัติเป็นใหญ่ในสาขะราชธานีสงเคราะห์แก่อานาประชากรชาวพระนครด้วยสังคะวัตถุสี่ประการ ส่งพระราชศรัทธาสร้างพระอารามสร้างวิหารลงแทบใกล้ฝั่งคงคาแล้วก็อราราธนานิมนต์พระมหาเถระอันรู้พระไตรปิฎกมาให้อยู่ที่วิหารและพระราชทานจตุปัจจัยทั้งสี่มีพระราชศรัทธาปรนิบัตริตราบเท่าสิ้นพระชนก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในชั้นดาวดึงส์สา ได้เป็นสมเด็จอมรินปิ่นพิภพเจ้าฟ้าสุราลัยแวดล้อมแห่ห้อมไปด้วยแสนสุรางนางฟ้าเป็นมโหฬาริกภาพด้วยอานิสงส์ที่พระองค์สร้างวิหารและได้ถวายจตุปัจจัยทั้งสและอารามที่พระเจ้าวิชิตาวีสร้างไว้ถึงพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วก็ดีก็มีพระภิกษุอาศัยอยู่เป็นอันมากเหมือนแต่ก่อน เรื่องว่าด้วยพระนาคเษนเถระกับพระยามิลินสร้างกุศลในชาติก่อนครั้งนั้นยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งทรงศีลสังวรเวลารุ่งเช้าจับสัมมัชนียาวได้ก็คมนาการไปสู่สถานลานพระเจดีทำอัญชลีก่อนนมัสการแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณพลางกวาดลานพระเจดีพลาง ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสจึงกวาดอยากเยื่อนั้นมามั่วสุมไว้เป็นกองๆแล้วก็ร้องเรียกสมณเณ น, น้อยสิทธิ์ใช้สอยของอัตมาให้ขนเอาอยากเยื่อไปทิ้งเสียจากลานพระเจดีย์นอกบริเวณส่วนว่าสมณเณ น, นั้นพานจะอยู่ข้างเกียรติครานพระอาจารย์มาเรียกถึงสามครั้งก็นิ่งเฉยอยู่ทาไม่ได้ยิน พระภิกษุฉีต้นจึงตีด้วยคันกราดแล้วด่าว่าทุพโจรดูกระสมเนนใจกระด้างว่ายากสอนยากส่วนว่าสมเนนนั้นก็ร้องให้ไปด้วยเร็วพลันขนเอาอยากเยื่อนั้นไปเทเสียด้วยกลัวอาจารย์แล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาว่าข้าพเจ้าได้ขนอยากเยื่อมาให้พ้นลานพระเจดีย์ ขอผลบุญนี้แม้นข้าพเจ้าจะไปเกิดในภพใดๆก็ดีขอให้ข้าพเจ้ามีมะเหสอนสักดาเดชอันกแลกล้ากล้ามัชชันติกะสุริโยวิยะมีครุวนาดุดแสงพระสุริโยไทยเมื่อเพลาตะวันเที่ยงทุกๆุกชาติไปกว่าจะสำเร็จแก่พระนิพานตั้งปณิธานความปรารถนาชนนี้แล้วก็ลงไปสงน้ำชำระกาย ดำผุดดำไหว้ค่อยสบายใจและเห็นลูกระลอกในห้องชลาลหยนี้มากมายนักหนาก็ยินดีปรีดาจะใครมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดไม่รู้สุดรู้สิน้นดุดฉลาสินธุทาราระลอกนั้นพระสมณเณรก็อภิวันขึ้นเหนือเกตตั้งปณิธานปรารถนาอีกว่าเดชะที่ข้าพเจ้ากระทำตามคำพระชีต้น ท่านจะสงเคราะห์อัตมาให้ได้กองกุศลจึงบังคับอัตมาเดชะพลานิสงนี้ข้าพเจ้ายัางไม่ได้พระนิพพานตราบใดยะถะกัตจิอุปัชฌามิข้าพเจ้าจะไปในชาติใดๆขอให้ข้าพเจ้านี้มีปัญญาดุจหนึ่งว่ากระแสลูกคลื่นลูกระลอกในกระแสชลาโลกอะขคยะ ปฏติภาโนขออย่าให้ปัญญารู้สิ้นรู้สุดเลยตราบเท่าข้าพเจ้าได้สำเร็จแก่พระนิพพานเถิดโซปิภิกขุฝ่ายว่าพระภิกษุที่เป็นอาจารย์เอากราดมาพาดไว้อย่างที่แล้วก็คามนาการไปสู่ตีนท่าเพื่อจะสงน้ำได้ฟังสมณ น, นตั้งปณิธานความปรารถนาดังนั้นจึงมาดำริว่า ความปรารถนาของสมณเ น, นี้จะสำเร็จดังใจคิดอธิกิจจะเหตุอาศัยอนุภาพพระพุทธคุณควรที่อัตมาจะปรารถนาบ้างดําริแล้วก็ยิ้มแย้มด้วยวิตกว่าสมณเ น, นี้ได้ปรารถนาทางนี้ก็อาศัยแก่อัตมาใช้พระภิกษุนั้นจึงยอก่อนนมัสการไหว้พระพุทธคุณแล้ว จึงตั้งปณิธานความปรารถนาว่าข้าพเจ้าอย่างมิได้สาเร็จแก่พระนิพพานตราบใดจะไปเกิดในภพอันใดอันใดก็ดีสมณีนี้ขอให้มีปัญญาเหมือนอุทกะธาราละลอกในท้องนาทีข้าพเจ้านี้จะขอให้มีปัญญาหาที่สุดมิได้แม้สมณีนี้ไปปะกับข้าพเจ้า ในพบชาติใดๆจะไต่ถามซึ่งอัธถปัญหาถึงว่าจะมีอัดอันลึกซึ้งคำเพรภาพยากที่จะแก้ไขประการใดก็ดีขอให้ข้าพเจ้าแก้ซึ่งปัญหาของสมณี น, นี้ให้จงได้ยะถามีครุวนาฉันใดวุธิมันโตปุริโสวิยะพระดุษบุรุษ อันมีปัญญาอันเจริญสางได้อันยุง่งให้รู้ว่าข้างต้นข้างปลายสางได้ยุ่งออกได้อย่าให้รู้จนในทางที่จะแก้ปัญหานี้เป็นอันขาดด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้ากวาดและใช้สมนเนนี้ให้เอาอยากเยื่อมาทิ้งเทเสียให้พ้นลานพระเจดีในกาละครั้งนี้เตอุโภปิ แม้นอันว่าพระภิกษุกับสมณี น, นทั้งสองนั้นสังสรันตา่าท่องเที่ยวตายเกิดอยู่ในมนุษย์และสวรรค์ประมาณสิ้นพุทธันดรหนึ่งล่วงมาก็พอถึงพระพุทธบาทศาสนาสมเด็จพระบรมนายกโลกน้าเจ้าของเราเมื่อจะเข้าสู่พระนิพพานล่วงลับไปจึงตรัสพยากรนิเทศทำนายไว้ว่า เมื่อศาสนาตถาคตล่่งไปได้ห้าร้อยปีจะมีพระภิกษุองค์หนึ่งมีนามชื่อว่าพระนาคเกษจะมาแก้ปัญหาของพระยามิลินจะแก้ไขซึ่งธรรมวินัยพระไตรปิฎกที่ตถาคตตรัสเทศนาไว้โดยสุ ข, ขุมคำเพรลภาพลึกล้ำฟั่นเฟือนอยู่นั้นกระจางแจ้งแจ่มใสรุ่งเรือง ตั้งมั่นไปให้ท่วห้าพัน 5, พระวัติษาและเนื้อความนี้ก็วิสัชนามาแล้วเรื่อง ว่าด้วยประวัติพระยามิลินครั้นศาสนาสมเด็จพระบรมครูเจ้าล่วงมาตามพุทธทํานายฝ่ายเจ้าสมนเนนั้นก็ได้มาเป็นบรมกษัตริย์สงพระนามบัญญัติชื่อว่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาชาวสาละราชธานีปันดิโตวิยัตโตมีปัญญาเฉลียวฉลาดเมทาวีเป็นนักปราศ ปฏิพโลองค์อาจที่จะพิจารณาเหตุการณ์อันเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันรู้สารพัดในพิธีที่จะประกอบการทั้งปวงและรู้ซึ่งศิลปะาศาสิบแ18ประการและรู้ทั้งพระพุทธว จ, จนะด้วยเป็น19ประการและศิลปาศาสิบ18ประการนั้นไสยถีทังคือสิ่งไรบ้าง อันศิลปะศาสตร์ที่เป็นของสำหรับโลกส8บปประการนั้นสูติคือรู้จักภาษาเสียงสัตว์มีนกร้องเป็นต้นว่าร้ายดีประการหนึ่งสัมมติรู้จักกำเนิดเขาและไม้เป็นต้นว่าชื่อนั้นๆประการหนึ่งสังขยารู้คำพีเลขประการหนึ่งโยโครู้การที่จะเป็นช่างประการหนึ่ง นิติรู้ที่จะเป็นครูสั่งสอนเท้าพระยาทั้งปวงประการหนึ่งวิเศสิการู้คำภีและเลี้ยงฝูงชนให้เป็นเซริมงคลประการหนึ่งคณิการู้นับนคขัดตะเิกรู้ตำราดาวประการหนึ่งขันทพารู้เพลงขับประการหนึ่งติกิจชารู้คำภีแพทย์ประการหนึ่ง ธนบเพทารู้ศิลปศาสตร์ยิงธนูประการหนึ่งปุราณารู้จักว่าที่นี้เป็นที่บ้านเก่าเมืองเก่าเป็นที่เก่าประการหนึ่งอิติหาสารู้จักว่าทิศนั้นกินข้าวเป็นมงคลประการหนึ่งโชติสารู้จักคำภีพยากรรู้ถ่ายว่าคนปีเดือนวันคืนอย่างนั้น จะดีและร้ายประการหนึ่งมายารู้ว่านี้เป็นแก้วนี่มิใช่แก้วประการหนึ่งเหตุรู้จักเหตุรู้จักผลจะบังเกิดประการหนึ่งวันตารู้จักที่จะเลี้ยงโคกระบือรู้การที่จะหว่านพืชลงในนาไร่ให้เกิดผลประการหนึ่งยุทธศา รู้คำภีพิชัยสงครามประการหนึ่งปาสันดารู้คมภีโลกกวูหานประการหนึ่งฉันทษารู้จักคำภีผูกบทกลอนกาบโคลงประการหนึ่งสิริเป็นศิลปะศาสตร์สิบปดประการดังนี้วาทีทุราสัตโธอันหนึ่งเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีถ้อยคําสนทนาไพเราะดีนักหนา ลือชาปรากฏไปในชนบทประเทศทุกถิ่นฐานทุบ ป, ปะสะโโหหาผู้จะต้านทานไม่ได้อัคคะมะขายติปรากฏว่าเป็นใหญ่กว่าเดรธีนิครนชนทั้งปวงบรรดาอยู่ในชมพูทวีปหาผู้จะเสมอในทางที่จะแก้จะถามปัญหามิได้มีอันหนึง่งพระองค์ประกอบไปด้วยองค์สามประการคือ ประกอบไปด้วยปรีชายานประการหนึ่งประกอบด้วยกำลังลี้พลพหนโยธานั้นประการหนึ่งประกอบด้วยโพคายสวริยะสมบัติเป็นอันมากที่จะขนานับไม่ได้ประการหนึ่งเอกศสมิงกาเลยูมาในการวันหนึ่งพระองค์มีจัตุรงคเสนาพยุหะแวดล้อมแห่ห้อมซ้ายขวาณคนะรำหานิคมิตตวา เสด็จพระราชลีลาออกภายนอกพระนครเพื่อจะประพาสภายนอกราชธานีให้เป็นที่สบายพระราชหฤทัยจึงให้หยุดผลนิกรจตุรงคเสนาลงไว้เสด็จประทับอยู่ในที่แห่งหนึ่งอันเป็นที่สบายทอดพระเนตรดูท้องฟ้าเวหาเลิกบนเห็นพระสุริยนผ่องแผ้วเป็นเลิกดีอยู่แล้วจึงมีพระราชโอการตรัสประพาส เรียกมหาอมารดเข้ามาที่หน้าชานมีพระราชโอการตรัสว่าดูราณอมรดเราจะด่วนยาตราเข้าไปในราชธานีทำไมเล่าเราจะสมราณเล่นให้เย็นสบายท่านทั้งหลายจงพินิจพิดิตใครจะอย่างรู้เห็นบ้างว่าสมณะพราหมณ์พระอรหันตตาขีนาศพผู้ใด ที่จะรู้ธรรมปรีชาญานอันสามารถอาจจะตัดเสียซึ่งข้อกังขาของเราได้ในการบัดนี้เอวังวุตเตเมื่อมีพระราชองค์การถามดังนี้บัญจสตายโยนาาข้าราชการชาวยโยนกทั้งห้าร้อยจึงทูลว่าอัติมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐมีอยู่แต่ครูทั้งหกคือ ปุรณกัศพบคนหนึ่งมัคลิโคสารคนหนึ่งนิคันฐานาตะบุตรคนหนึ่งสัญชัยเวรัตบุตรคนหนึ่งอชิตะเกสกรรมพลคนหนึ่งตะกุทธกัจจายณะคนหนึ่งเป็นหกคนด้วยกันครูทั้งหกนั้นไม่ชั่วล้วนแต่ตัวดีนักหนาเป็นครูบาอาจารย์ประกอบด้วยปรีชาญาณพร้อมด้วยบริวาและยศ ปรากฏเป็นที่ส ก, การะบูชาแห่งมหาชนคนทั้งหลายย่อมนับถือระบือลือชาข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเห็นว่าจะแก้ไขข้อกังขาของพระองค์ได้ขอเชิญเสด็จไปยังสำนักครูโน้นเถิด รพระยามิลินเสด็จถามปัญหาครูทั้งหกสมเด็จพระเจ้ามิลินได้ทรงฟังข้าราชการกราบทูลดังนั้นก็ทรงรา ช, ชรถมีข้าราชการห้าร้อยและรีผลแวดล้อมเสด็จมายังสำนักครูปูรณะกศพปรารพที่จะถามปัญหาถ้อยทีถ้อยสนทนาเป็นสุนทรกะถาควรที่จะชื่นชมโสมนัสแล้ว พระเจ้ามิลินจึงถามซึ่งปัญหาว่าพันเตกัสปะข่าแต่พระผู้เป็นเจ้ากัสพบสิ่งไรที่เลี้ยงไว้ซึ่งสัตว์โลกปูรณะกัสพบจึงแก้ว่ามหาราชาขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสรศิฐปะทวีโล ก, กังปาเลติแผ่นปัทภีนี่แหละเลี้ยงไว้ซึ่งสัตว์โลก พระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอการตรัสซักว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสิว่ามหาปัทถพีเลี้ยงสัตว์โลกทรงไว้รับไว้ซึ่งสัตว์โลกแล้วก็เหตุไฉนจึงให้สัตว์ไปตกนรกอเวจีมหาปัทถพีจึงไม่รับไว้ไม่ทรงไว้นี้เป็นเหตุไฉนตุณีภูโตวะ ส่วนว่าท่านครูปุรณะกัสศพก็จนใจไม่รู้ที่จะแก้ไขก็นั่งนิ่งอยู่ในสถานที่นั้นส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินก็เสด็จไปยังสำนักมัคคลิโคสารจึงมีพระราชโอการถามว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้ามนุษย์บุรุษสตรีหญิงชายในโลกนี้จะกระทากุศลและอกุศล จะมีผลจะมีประโยชน์หรือหาไม่ได้ครูมัคคลิโฆสารถวายพระพรว่าข้าแต่บพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐผลบุญผลกรรมไม่มีท่านที่เป็นกษัตริย์ขัตติยะมหาสารทั้งปวงครั้นถึงแก่ที่วงคตร่วงไปแล้วจะเกิดมาในโลกเราเคยเป็นกษัตรก็ได้เป็นกษัตรอยู่อย่างนั้น ที่เป็นพรามก็ดีเป็นเศรษฐีขหะบดีพ่อค้าชาวนาพ่อครัวคนอนาถาคนจันธานก็ดีตายจากโลกนี้จะเกิดมาอีกเล่าเคยเป็นอย่างไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นเหตุฉนี้จึงว่าผลบุญผลกรรมที่กระทำชั่วกระทำดีนั้นไม่มีสิ้นทั้งนั้นขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินจึงมีพระราชโอคงการตรัสตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าสิว่าผลกรรมไม่มีใครเคยเป็นเศรษฐีขะหะบดีและเพศต่างๆนั้นครั้นตายไปเกิดมาใหม่เล่าผู้นั้นก็เป็นตามเพศเก่าของตนถ้ากระนั้นก็คนโทษที่ต้องตัดตีนศีลมือนั้นไปชาติหน้าก็จะไม่เกิดเป็นคนโทษ ต้องตัดตีนสินมืออีกหรือเอวังมหาราชครูมัคคลิโคสารก็ถวายพระพรว่ากระนั้นแหละสิพระราชสมภารคนโทษที่ตัดตีนสินมือนี้ไปชาติหน้าก็เกิดสำหรับที่เขาจะฆ่าตีต้องตัดตีนสินมือไปทุกชาติทุกชาติจะได้รู้สิ้นหามิได้พระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ จึงมีพระราชโอการตรัสว่าณสัทธาหามิโยมจะได้เชื่อหามิได้ครูมัคคลิโศสารก็จนใจไม่รู้ที่จะอุปมาอุปไมให้เห็นได้ด้วยปัญญาเป็นมิจฉาทิฐิลัทธิเดรถี เรื่องพระยามิลินทรงคิดค้นหาคนแก้ปัญหาไม่ได้อะทาโขโมิลินทารโยเอตะทะโหสิลักขนันัญญาวตโผโทศินารัติกิ น, นุอุชุสมนังวาพระมณังวาสังคิงวาคณิงวาคนาจริยังวาอารหันตังสมมาสัมพุทธังปฏิชาณามานโน อ, อุปสังกเกมยามิ โยมยาสัททิงสมุลละปิตุงกังขาปฏิวิโนเทตุนติเอตังปริวิตกังความวิตกที่จะถามปัญหานั้นก็บังเกิดในพระราชสันดานพระเจ้ากรุงมิลินภูมิบาลเมื่อถามมัคคลิโคสารแล้วเสด็จกลับไปสู่พระราชวังวันหนึ่งนั้นเท้าเธอวิตกไปในพระราชสันดานว่าว่าตะ ดังเรามาวิตกแท้จริงด้วยเพลาราตรีวันนี้ฮอนจะมีมนถินดวงสัตสิธรสองฟ้าไม่มีราขีอัตมานี้ควรที่จะเที่ยวไปถามซึ่งอัตถปัญหาครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคณะและหมู่สงฆ์สมณะผู้ใดอันรู้ธรรมวินยัยได้เล่าเรียนธรรมวินัยของสมเด็จพระบรมไตรยโลกกนาต สัมมาสัมพุทธะบอพิจ้าประธานไว้ใครหนออาจจะต้านต่อผู้จาปราศัยกับด้วยอัตมาใครผู้ใดหนอจะตัดเสียซึ่งข้อกังขาอันมีในสันดานของอัตมาได้อุปสรงกระเมยยามิอัตมาก็จะเข้าไปใกล้ไต่ถามซึ่งอัทธปัญหาแก่บุคคลผู้นั้นครั้นทรงพระวิตกดมริชนี้แล้ว จึงมีพระราชโอ่งการตรัสแกหมู่เสวากามาตยนกข่าหลวงอันหมอเฝ้าเดรดาษอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาเหมือนดังทรงพระตำริชะนี้ส่วนว่าเสวากามาตราชายโยนกทั้งปวงจึงกราบทูลสนองพระราชโอ่งการว่ามหาราชข้าแต่สมเด็จบรมบพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจะได้ทราบกล่าวทราบกระหม่อมหาไม่ได้ กราบทูลแล้วก็พากันนิ่งอยู่จะได้มีผู้ใดทูลอีกหาไม่ได้สาละนครังทวารทศวัดสานิสุนยังจำเดิมแต่สมัยนั้นมากรุงสาละนะครไม่มีสมณะพระมนาจาร์ว่างเปล่ามาถึงสิบสองปีด้วยเหตุว่าพระเจ้ามิลินปินกษัตราธิบดีรู้ว่า สมณะพรหมนาจารย์ผู้ใดมีปัญญาก็ไปสู่มาหาถามอัฏปัญหาสมณะพรามสมณะพรามที่มีปัญญาน้อยมิอาจแก้ได้ก็แตกกันไปจากสาขานะครสาขานะครนไม่มีสมณะว่างเปล่าทีเดียวที่ไปสู่บ้านอื่นเมืองอื่นก็มีที่ไปสู่ป่าหิมพา น, นั้นก็มี เยผุเยนะโดยมากครามครันดังจะรู้มาว่าครั้งนั้นพระอรหันต์ที่อยู่ในป่าหิมาพานนั้นอาศัยอยู่ที่ภูเขาณถม ร, รักิตะเลนะนั้นโสดประมาณถึงร้อยโกฎโดยขนาด รพระอัศคุตเตเะระประชุมพระอาหารหันต์เลือกหาตัวผู้ที่จะไปแก้ปัญหาเอโกเทโรยังมีพระมาหาเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระอัศคุตเป็นพระอาหารหันต์ผู้เท่าพระผู้เป็นเจ้ารู้เหตุที่พระเจ้ามิลินกระทานี้ด้วยทิพพโสดสงสาบสิ้นสุดเห็นว่า พระศาสนาจะเสื่อมสุดเศร้าหมองพระอัสคุถเทระพระผู้เป็นเจ้าจึงอุปโลกบอกลา่าวชาวพระอรหันต์ให้ประชุมพร้อมกันที่เขาลักขิตะเลนะพระอัสคุถเทระจึงมีวาจาประกาศาพระอรหันต์ทั้งร้อยโกรธว่าพระอรหันต์ผู้ใดโสดอาจสามารถจะแก้ปัญหาของพระยามิลินได้และจะให้พระยามิลิน เลื่อมใสด้วยสติปัญญากู้พระศาสนาขึ้นไว้จะมีพระอาหารหันต์องค์ใดรับอาสาได้บ้างพระอัศคุธว่าถึงสองสามครั้งดังนั้นพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็นิ่งไปไม่มีพระอาหารหันต์ผู้ใดที่จะรับวาจาอะทะโข อ, อายัสมาอัสคุโตพระอัสคุตจิงว่าอย่ากระนั้นเลย ท่านทั้งปวงเอย๋ยยังมีเทวบุตรผู้หนึ่งเสวยซึ่งทิพยสมบัติอยู่ในเกตุมาดีพิมานด้านข้างปัจฉิมทิตตะวันตกตรงกันกับเวชยันวิมานเมืองดาววดึงสาและชื่อของเทวบุตรนั้นชื่อว่ามหาเสนเทวบุตรและมหาเสนะเทพบุตรองค์นี้มีสติปัญญา อาจสามารถที่จะแก้ปัญหาของพระยามิลินได้ท่านทั้งปวงอย่าอยู่ช้าเราจงชวนกันขึ้นไปอาราธนามหาเสนเทวบุตรให้จุติมาเกิดในมนุษยยโลกนี้เถิดพระอัสคุธเถระผู้ประเสริฐก็พาพระอรหันต์ร้อยโกรธออกจากยอดสิงขรยุ ค, คันธรบันพศปรากฏในพิภพแห่งสมเด็จอมรินทราธิราช อันเป็นใหญ่ในดาวดึงศาสวรรค์ น, นั้นสโกเทวานามินโทสวดว่าสมเด็จอมรินอันเป็นปิ่นฝูงอมารคนาอัทธะโคทอดพระเทศเห็นพระอรหันต์อันมาแต่ไกลพระอัสคุดผู้มีอายุกว่าพระอรหันต์อยู่ในที่ใดสมเด็จพระอมรินปิ่นสุราลัยก็เข้าไปสู่สถานที่นั้น อพิวันนอบนบเคารพด้วยจิตศรัทธาจึงมีเทวะบัญชาสนทนาปราศัยไปกับพระอัสคุดสังคเทระผู้เท่าว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพาพระภิกษุสงมานี้มากถึงร้อยโกรธเพื่อประโยชน์จะปราถนาวัตถุสิ่งไรจึงมานี่มากมายนักหนาพระอัสคุตอบเทวบัญชาว่า มหาราชดูกระมหาบพิษอัตมาภาพมาด้วยกิจธุระในพระพุทธศาสนายังมีบรมมกษัตราที่ราชองค์หนึ่งทรงพระนามชื่อว่าพระเจ้ามิลินเป็นปิ่นทวีปเกาะชมพูรู้เจนจบศิลปศาสตร์ฉลาดที่จะสนทนาภาธีมีพระเกียรติระบือลือชาหาผู้ใดที่จะต่อต้านไม่ได้ ออกไปไถ่ถามปัญหาแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วยติทยาวาดวาจาเดรถีบัดนี้เบียดเบียนภิกษุสงฆ์มิให้สบายขอถวายพระพรอาโขสกโกเทวานมินโทอันดับนั้นสมเด็จอมรินทราทิราชจึงถามพระอัศคุธว่าพระยามิรินที่จุติไปแต่เทวโลกนี้หรือพระผู้เป็นเจ้า พระอัศคุธก็ถวายพระพรว่าเอวังมหาราชะดูกระมหาบพิษคือพระยามิลินองค์นี้แหละ เรื่องพระอินพาพระอาหารหันต์ไปเชิญมหาเสนเทวบุตรสมเด็จอมรินจึงมีเทวบัญชาว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมนี้ก็เห็นแต่มหาเสนเท พ, พบุตรอันอยู่ในวิมานเกตุมดีนั้นปฏิพโลอาจจะสั่งสนทนาแก้กังขาของพระยามิรินได้ โยมจะไปช่วยว่าวิงวอนอาราธนามหาเสนเทวบุตรให้จุติจากวิมานไปเกิดในมนุษยโลกนี้ให้จงได้ตรัสเท่านั้นแล้วสมเด็จเท้าโกสีเทวราชก็ทรงเทวลีราชโดยประเทศอากาศนำหน้าสงตรงเข้าสู่ประตูเกตุมดีวิมาน ขมนาการเข้าไปถึงสำนักมหาเสนะเทวบุตรผู้ปรีชาอาลิงคิตตวาสมเด็จอมรินเจ้าฟ้าก็สวมกอดมหาเสนะเทวบุตรเข้าแล้วจึงมีเทวบัญชาตรัสว่ามาริสะดูกระะท่านผู้นี้ระทุกพ่อเอ่ยบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ขึ้นมาแต่ทวีปชมพูมนุษยยโลก เพื่อจะอ้อนวอนให้เจ้าจุติไปบังเกิดในทวีปชมพูเจ้าจงเอ็นดูจุติลงไปในการนี้ฝ่ายว่ามหาเสนเทวบุตรผู้ประกอบด้วยปรีชาจึงว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเห็นจะไม่ได้ด้วยไปบังเกิดในมนุษย์นี้ต้องประกอบกรรมการงานที่จะเลี้ยงชีวิต ต้องกระทำการอันเป็นทุจริตอุ่นวายข้าพระพุทธเจ้านี้เหนื่อยหน่ายนักหนามีความปรารถนาเพื่อจะขึ้นไปเกิดในห้องเทวโลกชั้นบนคือชั้นอัคนิ์อันเป็นสุกเกษมสารแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะเข้านิพพานเสียที่ชั้นอนัคนิ์นั้นพระอัสสกุลได้ฟังจึงมีเทระวาจาอ้อนวอนว่ามาริส ดูกระท่านผู้นิรทุกอันมีแต่ความสุขเป็นเบื้องหน้าอานุโลกิยะมานาเมื่ออัตมาภาพทั้งปวงนี้มาพิจารณาดูซึ่งนักปราชญ์อันประกอบด้วยปัญญาปริชาทั่วทั้งมนุษยะโลกกับทั้งเทวโลกณนะปัตสามิไม่เห็นใครที่จะองค์อาจยกย่องพระพุทธศาสนา ย่ำยีถ้อยคำพระยามิลินเสดาไดูกระมหาเสนะเทวบุตรเอย๋ยอาตมานี้เห็นอยู่ก็แต่ท่านผู้เดียวจะเชิดชูพระาศาสนาท่านจงรับคำรับวาจาให้ปฏิญาณที่จะจุติจากวิมานลงไปบังเกิดในมนุษยโลกเถิดมหาเสนเทวบุตรผู้ประเสริฐ เมื่อพระอาหารหันต์ท่านว่ากล่าวอ้อนวอนถึงสองครั้งสามครั้งก็มิอาจจะขัดได้จึงขอพอรพระอาหารหันต์ว่าขอให้ข้าพเจ้าเมื่อไปบังเกิดในมนุษย์นั้นอาจสามารถที่จะแก้ปัญหาพระยามิลินให้สิ้นสงสัยทำลายเสียซึ่งถ้อยคำมิให้เป็นเสี้ยนหนามในพระพุทธศาสนามหาเสนเทพบุตร ขอพระพรพระอรหันต์ได้แล้วหัตถตุโถมีมโนน้ำใจนั้นชื่นบานก็ถวายซึ่งปฏิญาณแก่พระอรหันต์ที่ว่าจะจุติลงมาเกิดในมนุษยสยโลกนี้แล้วก็ดุษณีภาพนิ่งอยู่ฝ่ายพระอรหันต์ทั้งหลายรู้ว่ามหาเสนเทพระบุตรรับปฏิญาณแล้ว ก็อันตรทานจากทิพยาวิมาณฟ้าลงมาปรากฏในหิมะวันตะบันพศสถิตถ้ำรักขิตะเลนะพระอัสคุตสังคเทเรผู้เท่าจึงถามสงฆ์ทั้งปวงว่าเมื่อเราให้ประชุมสงฆ์นั้นพระภิกษุรูปใดไม่มาบ้างหรือว่ามาสิ้นด้วยกัน พระอระหันต์บังคับพระโรหณะเถระให้ไปคอยทรมานน้าเกนกุมารอัญญตโรพิกขุยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามไม่ได้ปรากฏในวาระพระบาลีจึงพเดียงบอกแก่พระอัศคุตว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามีอยู่องค์หนึ่งคือพระโรหณะผู้มีอายุ ไปเข้าปฐมฌานอยู่ในหิมวันตะบันพศกําหนดได้เจ็ดวันแล้วจำเราจะใช้ทูตให้ไปนิมนต์มาเถิดเตนะโขปนะสมยเยีนะส่วนว่าพระโรหณะเถระผู้ประเสริฐรู้น้ำใจพระอรหันต์ว่าสงให้หาด้วยทิพระโสตั้งขนันเยวะนิโรธาวุธายะออกจากนิโรธสมาบัตมินาน ก็อันตรทานหายจากหิมวันตะบันพ์มาปรากฏขึ้นในรักขิตะเลนะนั่งอยู่ตรงหน้าพระอรหันทร้อยกูดพระอรหันทร้อยกูดจึงตั้งกระทู้ซักพระโรหณะว่าดูกระพระโรหณนะพระศาสนาของสมเด็จพระทศพลเจ้าสมสุดร้าวฉานไปทำไมท่านจึงไม่เอาใจใส่ตามกิจสง พระรหนะก็สรารภาพว่าข้าพเจ้าหาได้เอาใจใส่ไม่พระอระหันต์ทั้งหลายได้ฟังพระรหนะสรารภาพดังนั้นจึงมีวาจาว่าเราจะลงพรหมทันให้ท่านกระทำพรหมทันเสียด้วยโทษท่านผิดหาได้มากระทำสังฆกรรมไม่ไม่เอาหูนาตาใสพระศาสนาพระรูหนะจึงมีวาจาว่า ท่านทั้งปวงจะลงพระมาันแก่ข้าพเจ้าเป็นประการใดข้าพเจ้าก็จะกระทํามิได้ขัดพระอรหันต์ทั้งหลายจึงแจ้งความว่าดูกระะพระโรหณนะยังมีบ้านพรามชื่อว่าชังคาะคามสถิตแทบใกล้ข้างเขาหิมะพ า, านพรามผู้นั้นเป็นนายบ้านชื่อโสนุตระพรามโสนุตระพรามนั้น จะมีบุตรคนหนึ่งชื่อนาคเสนกุมารเราจะลงพรหมทานแก่ท่านท่านจงไปบินธบาต ท, ที่บ้านมาเรือนพราหมณ์ทุกๆุกวันโดยนิยมดังนี้กว่าจะได้เจ็ดปีกับสิบเดือนคิดอ่านเอาเจ้านาคเสนกุมารมาจากเรือนพราหมณ์พามาบวชเสียได้แล้วการใดท่านก็พ่องแผ้วพ้นจากอาดยาโทษพรหมทานในการเมื่อนั้น พระรหณนะก็รับคําพระอระหัน ร, ร้อยโกรธในการนั้นเรื่องมหาเสนเทวบุตร จุติลงมาเกิดในตระกูลโสนุตระพรามโสภิเทวะบุตรเทวะโลกาจวิตวาฝ่ายว่ามาหาเสนเทวบุตรก็จุติจากพิภพเทวโลกลงมาปฏิสนธิในคันภรรยาของโสนุตระพรามอันเป็นนายบ้านชังคละคามนั้นอัศจรรย์สามประการก็บันดาลมีในเรือนพราหมณ์คืออาวุธสตรา มีฝักอันงามสวมใส่ไว้ก็รุ่งเรืองเป็นแสงสว่างไปประการหนึ่งฝนใช่ฤดูกาลก็ตกลงมาประการหนึ่งอากาศก็ฟูมฟองร้องกล้องไปมาในการเมื่อมหาเสนเทวบุตรมาปฏิสนธิในมาตุคพภูทรมานดานั้นอัศจรรย์ทางนี้ด้วยบารมีของมหาเสนเทพบุตรได้กระทามา บอกเหตุที่เกิดมานี้จะได้ทมนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองไปทั่วน5 0พันพระวัิศาเรื่อง พระโรูห n เถระไปทรมานโสนุตระพราหมายาสสมารโรหณะเถโรฝ่ายพระโรูห n ะผู้มีอายุก็คมนาการมาเที่ยวพิขาจารที่บ้านพราหมยเฉพาะสกุลนั้นทุกๆวันถึงเจ็ดปีกับสิบเดือนโดยนิยมดังนี้มิได้ขาดเลยแต่สักวันจะได้ซึ่งอภิวาทกรรมและสามีจิกรรม ที่พราหมณ์จะคำนับนบไหว้นี้ไม่มีเลยได้แต่คำหยาบยามพราหมณ์แช่งด่าเสียษสีกำหนดแต่วันมหาเสนะเกิดในคันนับแต่นั้นมาได้ถึงเจ็ดปีแล้วจะได้จังหันในตระกูลนั้นทับพีหนึ่งเป็นจังหันสวยจะได้ยาขูศักกระบวยหนึ่งก็หามิได้และโสนุตระพราหมณ์ จะได้เจราจาปราศัยด้วยมาดว่าแต่สักคำหนึ่งก็หาไม่ได้สัตตนังวัดสานางอ จ, จเจยนะตอกำหนดเจ็ดปีสิ้นไปล่วงไปวันหนึ่งจึงได้ฟังถ้อยคำพราหมณ์นั้นพูดด้วยว่าอติชชะพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงหลีกออกไปนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าโรห a นะ ได้ฟังถ้อยคำเท่านี้ก็แตพายบาดเปล่าไปจากสถานที่นั้นพระหิกรมมันตาครั้นโสนุตระพราหมน์นไปทำการงานนอกบ้านกลับมาเห็นพระรูหณะเดินมากลางทางจึงถามว่าดูราณะปัญผชิดท่านได้สิ่งอันใดอันหนึ่งบ้างหรือว่ามิได้พระรูหณะจึงบอกว่าเออพราหมณ์ รูปได้หน่อยหนึ่งพราหมณ์นั้นใจเป็นมิจฉาทิฐิก็ครึ่งโกรธพิโรธนักหนาจึงไปถามคนที่อยู่บ้านว่าวันนี้ท่านใสบาดบรรพชิดหรือเจ้ากูบอกข้าว่าเจ้ากูได้หน่อยหนึ่งคนทั้งหลายบอกว่าข้าพเจ้าจะได้ให้วัตถุอันใดอันหนึ่งแก่บรรพชิดนั้นหาไม่ได้โสนุตระพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็ขัดใจ ดูรุบันปะชิตนี้เจรจามุสาข้าได้ให้เมื่อไรข้าขับไปเสียอีกดูรุสมณะนี้โยโสโป้โปดได้สดสดร้อนร้อนช่างพูดได้จะเป็นไรมีพรุ่งนี้แหละเจ้ากูเข้ามาจะได้ต่อว่ากันเทโรปิทุติยัมปิทิวสังฝ่ายพระรหณะเทระครันรุ่งขึ้นเป็นวันคำรบสอง ก็ครองจีวรพระกรกุมบาทลีลาดเข้าสู่ชังคละคามจึงไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนพราหมณ์นั้นส่วนว่าโสนุตตะพราหมณ์ครั้นได้ทัศนาการเห็นจึงมีวาจาถามว่าวานี้ท่านไม่ได้วัตถุสิ่งไรจากสำนักข้าพเจ้าทําไมจึงบอกว่าได้เมื่อข้าพเจ้าไม่ได้ให้วัตถุสิ่งไร เออก็เหตุชไหนจึงเจรจามุษาพระโรหณะจึงตอบไปว่านี่แน่พราหมณ์แต่รูปอุตสาพยายามมาบินทบาต ท, ที่ประตูเรือนของท่านนี้ก็กำหนดการนานประมาณถึงเจ็ดปีสิ้นไปแล้วจะเป็นจังหันทัพผีหนึ่งโดยต่ำลงมาแต่ข้าวยาขูกระบวยหนึ่งรูปก็ยังไม่ได้เลยโดยต่ำลงไปคำเจรจาคำหนึ่งของท่าน รูปก็ยังไม่ได้ท่านเห็นเราเข้าแล้วก็มืนเติงไปไม่ดูแลแต่วานนี้แหละท่านมาเจราจาด้วยเราว่าอาติตชะทะท่านจงหลีกออกไปรูปได้ถ้อยคำของท่านแต่เท่านั้นรูปก็ดีเนื้อดีใจรูปจึงบอกกับท่านและคนอื่นว่ารูปได้คือได้ซึ่งถ้อยคำของท่านพูดได้รูปวานนี้รูปนี้ จะได้เจราจามุสาหาไม่ได้พระมโนโสมนัสสัพ ป, ปะโตพรามได้ฟังก็เลื่อมใสด้วยมาคิดเข้าใจว่าน้อยไปรือสมณะผู้นี้ได้แต่คำปราศัยเป็นคำขับไล่ให้ลีกออกไปอย่างเลื่อมใส ย, ยินดีเป็นนักเป็นหนาเที่ยวบอกเขาหวดเขาว่าเราได้เที่ยวเล่าให้เขาฟัง กินจิโสภนังถ้าช่วยได้ข้าวปลาอาหารสิ่งใดที่ดีๆเจ้ากูจะสรรเสริญมากกว่านี้พราหม์คิดแล้วก็ยินดีนักหนาจึงร้องเรียกพัญญาให้เอาจังหันมาใส่บาทลงทัพพีหนึ่งแล้วพราหมยิ่งโสมนัสปรีดาในอิริยาบถแห่งพระผู้เป็นเจ้าสำรวมอินทรีย์ดูนี่น่ารักนักหนา พรามจึงอาราธนาว่าโยมนี้มีศรัทธาเลื่อมใสตั้งแต่วันนี้ไปนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาฉั น, ท, นทุกวันทุกวันที่เรือนโยมนี้เถิดส่วนพระโรหณะก็รับนิมนต์ด้วยดุสณีภาพนิ่งอยู่ส่วนพรามก็ปูอาสนะนิมนต์ให้นั่งเหนืออาสนะแล้วก็อังคาดด้วยขาธิยะโภชญยอันประณีตบรรจงใส่ลงในบาท อาราธนาให้ฉันส่วนพระรหณะนั้นครั้นฉันแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เอามือจับบาดไว้สวดพระพุทธว จ, จะนะบทใดบทหนึ่งให้พราหมณ์ฟังพอควรแก่อัจฉาใยแล้วก็ลุกไปจากเรือนพราหมณ์ไปสู่อารามของอัตมาในการครั้งนั้น